บุ๊กทูยี่สิบสี่ีรอการนัดหมายออกเทลคุณพลาลดรถโดยสารหรือเปล่าครับคมทูฟอสินสิบบูซนผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ Jeg har ventet på dig i en halv time. Kunne du have en mobiltelefon med? Har du ikke mobiltelefonen med? Klar næste gang skal du komme til tiden. Klar næste gang skal du tage en taxa. ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ next ะเอาถุงมือพรุ่งนี้ผมหยุดครับนดพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ s h a l e t i morning? a n e s e r in the m o r n n สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทําหรื อ, อยังครับหรือ no หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ Eller ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์เรานสุดส yeah, sure ัปดาห์เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ เราไปชายหาดกันดีไหมครับเาไปยหราไปเที่ยวภูกดเขากันดีไหมครับเมบเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับเมคะไปที่รับทานมคุณไปที่รับทีานครัาที่นมจะบาไปนรับคุณที่บ้าน ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารอย่าหันตาเดี๋ยวบัสสตอปไป s e